เมื่อปีติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขใจถูกบอกไม่ถูกคนกั น, นแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันปร้จักความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เลยทํ้มีอวิตกวิจจารปีติสุขเอกกตา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 วิตกฤติวิจารฤตีปิติฤติสุขฤติเอกขกตาฤติเราในมองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างห้าอย่างกรสลระอันนั้นมันเต็มอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นจะมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารณยังไงมันปิติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงนั้นไม่มองเห็นมันเต็มอยู่เต็มในใจของเราอยู่นั้นมันเต็มหมดเลย ตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทำภาวนาดั็แปลกแล้วต้องมีสติสัมปัญย์ยาหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้อันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องพนัะของจิตมันเป็นเรื่องยิสัยของจิตเท่านั้น่าไปสงใช้อะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินกว่าจังมันมันจะไปบนอากาศกว่าจังมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้กว่างมันเถอะ อย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นชินีลนัษณะจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้เท่านั้นเนี่ยทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้ว ม, มันมีสติามปัญญารู้ตัวมันทางการเดินเดินนั่งนอนแล้วนี่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 เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็สักแต่ว่าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแนวดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็หลับไปมันก็เป็นเพงเท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันใดต่างเหล่านี้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 มันก็เบื่อเบื่อกายเบื่อกิจอันนี้เบื่อเบื่อสี่สิ่งที่มันเปิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่เราะนั้นเนี่ยจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเลยหื sim. วใจมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเาะ น, นั้นเนี่ยมันก็หาทางออกจากสิ่งทั้งหลายแบบนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้เห็นโทษ เห็นโทษแล้วมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้นเมื่อกิจเป็นเช่นนี้เราก็ไปนั่งอยู่ทีาา่ไหนมันก็เห็นเรื่องอนันดีจังเรื่องตุกขังเรื่องอนันเลตายนั่ไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วนทีนี้จะไปนั่งอยู่โคนไม้ก็เลยฟังเทศประคุตเจ้า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 ถ้ามนุษย์ทางหลายเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ออกมาทันทีมันเกิดอย๋ยวนั้นมฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นลูกนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นลูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นในไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญา แม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาปิจรารณาเห็นจินชาติหญตาทาั้งหลายขึ้นมาเกิดเป็นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นมแมลงต่างๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นนะนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรม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 เห็นว่าเราโง่กวเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกวเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นเสียอย่างนี้มันก็ถอดอาชมิมานะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิถูรู้แจง้งตามเป็นจริงอืถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริง มันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดก้นอีกแล้วผลตัวเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดำเนินการเพราะมันไปอย่างนั้นรากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีรักษณะที่ท่อมตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่สันโลด ถ้าคนมากน้อยในการพูดในการในทุกอย่างเมื่อเรเห็นตัวของเราไม่ได้ไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นนเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานแตที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็รวนแต่สินที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันกระรวนมีแต่ปัญญา เต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นยิดในขณะนั้นมันก็เดินในสินในสมาธิในปัญญาในศินในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอย่าประมาทคำที่ท่านว่าอยาประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยิดน้อย ภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาท ถ, ถึงแม้มว่าถูกต้องแล้วก็อย่าประมาทผิดแล้วก็อย่าประมาทดีแล้วก็อย่าประมาทอืนี่สุขแล้วก็อย่าประมาททุกอย่างท่านไม่ให้ประมาทท่านไม่ไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของไม่แน่จับมันไว้อย่างนี้ จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกันแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันฉะ่นั้นการอบรมจิตจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของเจ้าของครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรม บอกวิธีที่ทอบ ร, รมจิตถ้าเราจะอบ ร, รมนั่นอบ ร, รมจิตน่นเป็นตัวของเราเองแต่พราะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จักหมดทุกอย่างอล้วอยู่ที่เราอ่ะไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรื่องปฏิบัตินี้มันอาใั้ความถูกต้องอย่างนี้เราก็อยู่สบายอื เดินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทําไม่จริงำทำมาทําจริงๆเนะี่ยมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะทำปฏิบัติทําจริงๆเพราะทําทางจิตประพฤติ ท, ทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปสัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันก็ต้องรู้จัก ถ้ารู้จักลรวก็รู้จักข้อปฏิบัติแลนน้วไม่จำเป็นมากมแล้วก็ลูชทิตทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้นอกก้อมกลับมาอย่างเพื่อนทิ่สูสมานเองอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอยา เยี่ยงอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยมยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัตนึทีเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคนไม่ชราเอาธรรมะก็ท่านไม่ได้เพื่อไปเอาอย่างท่าน ไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านแต่เอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองร้านจา์ท่านพูดไม่สังรวกสังวรตัวอย่างของท่านขอขอเงือขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชมุมน่ะดุเก่งมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้น แต่ย่ยงของท่านไม่มีอะไรคนผที่สุดท่านไม่มีอะไรงานเป็นสัตว์ต่ว่าพูดสัตว์ว่าจะทำมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทำอะไรนั่นแหะท่านมุ่งธรรมะแต่คนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหาย มันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวงไปไหนอะฮะแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นดวงตาบางคนไปเอาตาฟัานเสียหมด ม, มันเป็นเช่นนั้นฉชนนั้นพวกเราทุกคนนั้น อ, อย่างผมเล่าให้ฟังอันแหละสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปฏทาคิดปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขาปฏิปฏ ท, ทาคิดปาปิญญา คนเราแข่งบุญวาสนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แข่งกําลังกายแล้วนี่มันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้อย่างต้องกายสมัยผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ก็ต้องพยายามไปเห็นมันไป ทุกขะปเจปทาทันทาปิญญาปฏิบัติลำบากอัดขัดคองของทุกสิ่งสาระพัดปฏิบัติลำบากกัตสรูธรรมะกักัตสรูชา้าจะแปลว่าบารมีพนัสสร้างไว้มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดห้อยมันอย่างคนจน จะนึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเรากรต้องขยันอย่างน้อยก็เสมอไปกินอันนี้ตัวมันกันขันนั้นเราปฏิบัติให้มากทาไม่มากจเจริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์าปฏิปทาท่านทาปัญญา ทุกขะปฏิปทากิปาปิญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วไม่เหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายริ้นรนกระวนตาวายแต่รู้ง่ายเจ็บกระชังมันปวดกระชังมันจะมาหายง่ายอันนี้อันนี้เป็นคนที่สองคนที่สามสุขคะปฏิปทาทันทาปิญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่าย แต่รู้เลยยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยบุนไืมไปเรื่อยไปในนานๆบางทีประจวนจะตายมันก็ยังจะรู้นี่ในขั้งพระุทธเจ้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิดปาปิญญาลักษณะที่สี่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆ รู้ก็งงานอย่างนี้ก็มี อ, มอันนี้พระพุทธเจ้า ต, ตรัสไว้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ ม, มันกหมือนกันเนี่ยมันกันกุกจิตจันยูวิปปุกจิตจันยูในยป ะ, ะปะทะปะละมะัตวุกจิตจันยูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองมองดูทอนี้ก็รู้แล้วว่า ท่านจะอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์เท่นั้นแก้พบเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากอุปติตนยูยิปติตนยูต้องแนะนำต้องทิจรณาเปรียบเทีย บ, ยบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็ตื้นช่องตื้นได้แต่มันจะปล่แก้ตกไปได้แนะนําได้แก้ไขได้ เป็นยึปฏิตนอยู่เนยยะเนยยะบุคคลเนพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตในะอุกติตนอยู่อุกติตนอยู่ยึดปฏิตนอยู่เนยย ะ, ะ, ะปทภประมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มันรู้เร็วมากก็มีถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแสกันเลยดิ้งเลย เห็นแต่เงาแสแต่มันก็วิ่งแล้วยึดไปติดกันอยู่นี่แ่ะพอแนะนำได้ต้งยกแสขึ้นไม่วิ่งส้งเคี่ยนมาตัวนี้มันจึงวิ่งทอดติดสามต้งเคี่ยนไม่หยุดเออไม่วิ่งต้งเคี่ยนบ่อยมันถึงวิ่งอย่างั้นมันไม่วิ่ง เนยยัปัญาปรามะนี่เอออยาจะเขียนลงไปฮะไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดิน อ, อถูกอารมณ์อะไรก็อยู่นั่นแหละสังสอนได้ที่พอใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่ไม่เขียนมันไปจะอยู่เหรอจิตอันนี้มันไม่เห็นหนึ่งมืดหลายอันนี้มืด อันนี้ลาบากมาตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งมันไปจะทิ้งอะไรไมันจะทิ้งในความเบียดเบียนด้องสอนไม่ได้ในใจแต่ก็ทิ้งไว้เพราะ อ, อะไรกรรมเก่ากรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวมอนน้ามาในขวดแล้วมันเต็มแล้วมันไม่พร่อง อยากเจรณาใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้าเก่าก่อนไป ใ, ใช้น้าเก่ามันหมดไปก่อนจึงเอาใหม่อย่างนี้คือมันกันฉันนั่นถ้านีกรรมเข้ามาแทรก้วลำบากถ้ามีกรรมเ ก, ลลก่าเข้า ม, รรมาแทรก้ละลำบากมากฉะนั้นอย่างใดก็ตามเธอพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็ระอะไรแตการะทำความดีนะั่นแ่ะมันดี ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วมันดีทำความดีมันแก้กความไม่ดีทำความไม่ผิดมันแก้กความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์เทั้งนั่นแหละเมื่อในเวล า, านี้มันยังไม่ได้ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรม เมื่อกรำ ม, มันนี้มันให้ผลอยู่กรัมมือรมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมมัไหนกรรมมันนี้ให้ผลอยู่กรรมี่เราทรําเยื่นี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อบุตรกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างงั้นจึงทําอ่ะจึงถามว่าทําแล้วไม่เสียหายทาไว้เพื่อ เกิดประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากถึงไม่ถึงการไม่ถึงเิลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่เพราะนั้นทุกคนชิงมาเลยทำการปฏิบัติในวัดของพระองค์ในปัญษานี้จงให้อยู่ในักษณะาการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสามเณรเราทุกทุกคนนั้น ให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จกักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างต่างอกต่างใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรร ม, มะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรร ม, มะตามสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่ทำนั่นเองอย่างที่เราประกาศไ้ว่าพุทธทางจรรงคัิฉามิธรรมังจรรงคัดฉามิ สังคังสรณังขัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นวาจาที่สาคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วธรรมังสรณังขัจฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังคังสรณังขัจฉามิ เราถึงพระสังกเจ้า ว, ว่าเป็ น, นตีพึ่งตีนกาคีของพระพเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าไม่ตรงไปตรงมาไม่รสกิฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงประธรรมไม่ถึงประสง์อย่างนั้นข้อประพุทธปฏิบัติอย่ยาไปแข่งแย่งสิ่งกันเองกันเมื่อเวลาเรามาส ร, ร้างบารมีนี่ให้มันทะลุถึงปีมัน จะมีเวลาอยู่น้อยกว่าจริงจะมีเวลาอยู่น้อยกว่าจริงให้มันน้อยเหมือนมูเ ห, ห่าใหมันมีพิษแต่ไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันตีคนยิ่งหลือหลาย เรามาทำความดีสักห้าวันหรือเจ็ดวันนี้เจ็ต้นก็ยังดีกว่านั้นมากมันจะทัดรัด ก, กันอย่างนั้นไหผลอย่างนั้นทุกคนมันจะจวนขึ้นรรษามาแค้วพรนภษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้า น, น, นานๆไปมันชอบอยากีอยวประมาณที่คอวัดเราจะมาติตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลาย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 ก่อนเผาพันาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่าจากว่ามันย่อย่อนก็ต้องกลับตัวกลับปุงเรื่อยเรืยเหมือนการภาวนาทำอนาปานัตติรมหายใจหายใจเข้าออกสม่ำเสม อ, อม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 สร้างความดีของเราสามเดือนยในภรษานี้ทุกคนถือว่าถือปัจจุบันที่ใหม่มตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรื อ, ออกไปแล้วเป็นต้นก็ให้มันเป็นนิสยัยก็ให้เป็นปัจจัยการทําดีแล้วมันไม่เสียหรอกการทําถูกแล้วมันก็ไม่เสียอื ม, มันจะไม่ดีแต่การทําไม่ดีเท่านั้นแหละ มันจะไม่ถูกแต่การทําไม่ถูกเท่านั้นแหละอืไม่ไปที่ไหนเลยอยู่ที่จิตใจของเจ้าของนั้นไอ้ความชั่วเราทํามาแล้วมันไม่ควรจะวายใจนี่เราลึกมาแล้วมือวานนี้ก็ดีมือเชิญก็ดีสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ดีเกิดมาก็ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทำสิ่งที่ไม่สบายเช่นว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อน เราเป็นฆรวาสนะเะมาทกบโอเสียนพระไปซะเป็นต้นเปรียบเป็นฟังเลยถึงแม่ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเสียนผ้าโอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม่ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดก็คิดถึงอะไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่เหอืมนถึงแม้เรามาบวชอยู่ทีนี่เป็นต้น ยิ่งแล้วการยิงมมาไหว้ทันทุวันทุวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีพอเราทุกข์ไหว้เนี่ยนี่เดียกว่าการทําไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นี่เลยไอความชั่วทําแล้วภายหลังเดือดร้อนให้ความดีเราทําแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นอืบัดนี้เวลาเร า, าทําเป็นพระ ไหวดีนะปฏิบัติดีแล้วมันสบายในปืนศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดหลวงประ่งแหวมันสบายมาถึงหนึ่งมันก็บานพ่อบานแม่เราเราง่ายเราสบายเป็นที่พื้นของเราเป็นที่พื้นของหลูกหลานของเราอันนี้สถานนี้เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหาไวในใจของเจ้าของเนีดีมาก นี่เนื่อยตันจะทำนีเองถ้าทำไม่ดีแล้วมันพอไม่ดีในภายหลังท่าน